อยนั้นนั่งสมาธินะทำจิตให้สงบเจริญเมตตาผู้มิหารเมตตาผู้มิหารนี่ก็เป็นกรรมฐานที่ยังใจของเราให้สงบนเปรียบเหมือนกับว่าอากาศร้อนๆก็ต้องใช้ความเย็นก็ทำให้ร่างกายคนเรานั้นอยู่ได้ร่างกายร้อนๆเกินไป มีไข้สูงเกินไปก็ต้องใช้ความเย็นลดไข้ลงมาจิตใจของคนเราถ้ามันร้อนร้อนเกินไปก็ต้องใช้ความเย็นคือเมตตาผอ ม, มิหารนี่แหละเมื่อเราสร้างความดีแล้วให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาสมาธิแล้วก็กำหนดจิตแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเหมือนกัน อนะย่งยุคนี้ก็เป็นยุคในเศรษฐกษิจอะไรก็มีแพงไปหมดแล้วน้ำมันก็ขึ้นราคาของก็ขึ้นราคากันหมดนี่นะก็เรียกว่าลำบากกันไปส่วนมากเหมือนกันแต่ท่านจะลำบากยังไงถ้าทัศใจของเราพยายามเจริญเมตตาภาวนาไว้เพราะไฟคือความร้อนเนี่ยไฟราคะโทสะโมหะ ไราคาที่มันร้อนนะให้ความสุขก็จริงเป็นกรร ม, มคุณแต่ถ้าไม่ได้ทังจิตใจแล้วก็เป็นกรร ม, มโทษเกิดโทสะข่าฝันกันก็ได้นาะมากมายเนะพราะไฟตัวนี้ถ้ า, ม, ม, ามันมาฝึกหัดปฏิบัติภาวนาเราก็จะไม่รู้จักล่ะนะไม่รู้จักมีตัวตนของเรามีเรามีของเราเต็มที่ไปเลยนะ มาสมหวังก็เป็นอย่างหนึ่งผิดหวังก็เป็นอย่างหนึ่งในจิตใจเราเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังและก็มีสติพ่าเราอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีศีลอยู่ร่วมกับคนไม่มีศีลก็ลําบากการขับรถกับลาไปในท้องถนนคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งไม่มีศีลเราก็ต้องอดทนไว้ะเจริญเมตตาภาวนาให้อภัย ให้อาภัยกันบางคนก็ททำผิดไปด้วยโทสะด้วยความโมโหฉุนเฉียวเราก็ให้อาภัยไม่ถือโทษไม่ถือโกรธมันก็สงบลงได้นะด้วยความเมตตาในกันให้อาภัยทานที่สำคัญกันในจิตใจทานบารมีเราก็ให้ทานทาบุญอาภัยทานก็ให้อาภายัยต่อคนที่เขามาทำให้เราเป็นทุกข์เราให้อาภัยทั้งหมด ไม่มีเวรกันก็เป็นการเจริญเมตตานั่นเองเ่ยนะเจริญเมตตาว่าขอให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เราเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดเป็นผู้ไม่มีเวร น, นะแผ่เมตตาตัวเองเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ให้สับปสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นผู้ไม่มีเวรไม่ผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายแต่เราเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้ ใจของเราก็สงบเป็นสุขมาใจของเราสงบแล้วเป็นสุขนี่นเราจะหลับกับฝันดีหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสไม่มีอันตรายจากยาพิษจากอาวุธทั้งหลายที่จะมาทำร้ายได้ท้องการเจริญเมตตาเนี่ยภาวนาเป็นหลักในใจของเราไว้ทั้ง ที่เราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ทํางานเราจะเดินทางมาใกล้ๆก็ให้เจริญเมตตาภาวนานี่ก็มีในสมัย พ, พระพุทธเจ้าของเราสเสบยชาติเป็นบรมโพธิสัตวเจ้าเป็นพระสุวรรณสามเป็นชาติที่พระองคที่เจริญเมตตาภาวนานนะในเบื้องต้นบิดาบดาของท่านนี่ถือศิลปปดทั้งคู่นะ ปฏิบัติบำเพ็ญสมปฏิบัติธรรมทุสินแปดแต่บรมโพธิสัตว์นี้ก็เลือกแล้วจะต้องมาเกิดในท้องของพุทธออของบรรดาของบรมโพธิสัตว์น่นะนะพระอินก็เลยต้องมามาบอกให้สามีภรรยานั้นเอาสามีรูปที่ท้องของภรรยานะพระบรมโพธิสัตว์เจา้จาพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นก็ลงมาเกิดแล้วเข้าสู่พระคันเลย นะะเจริญวัยขึ้นมามีผิวพรรณรดงามมากนะสุวรรณทสก็แปลว่าทองคำนั่นเองมีผิวพรรณดั่งทองคำเมื่อนั้นนะต่อมามีนาบรรดานี้กรตาบอดนะตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นบรมโพร ธ, ธิสัตว์สุภภาสุวรรณ3ก็หาเลี้ยงเก็บผลไม้นะมาหาเลี้ยงบิดามา ร, รดา พระราชาเมืองหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในป่าไปพบพระสุวรรณสามขึ้นมาโอ้ผิวพันธุ์งดงามไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์หรือเป็นคนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นนี่ยปกติพระสุวรรณสามเจริญเมตตาภาวนาในป่านั้นนะ่ยสัตว์ไม่เบียดเบียนกันนะแต่ขณะที่ลงไปตักน้ําขึ้นมานะลืมเกิดลืมหรือมีกรรมเข้ามาล่ะลืมเจริญเมตตาภาวนา จึงถูกลูกสรของพระราชาเข้ามาแต่พระองค์ไม่โกรธเลยไม่โกรธไม่เกียจแต่ว่าเอ๊ะมายิงเราทำไมเรามีพ่อแม่ตาบอดที่จะรักษาอยู่นะถาอย่างนั้นนะนะมายิงเราอย่างนี้พ่อแม่เราจะอยู่ไม่ได้เราตายไปแล้วก็ไม่เชียได้ชีวิตแต่พ่อแม่ของเราจะอยู่อย่างไรพระราชาก็ตกใจ ว่าคงจะทำบาปทำกรรมทำผู้มีบุญบารมีแล้วยึงได้นำเอาบิดามารดาของท่านมานะตอนหน้าพระสุวรรณสามนั่นพระสุวรรณสามจเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานนั้นปรากฏว่าลูกธนูที่ยิงมานนั้นก็หลุดออกไปบาดแผลก็ไม่มีหายจากการบาดเจ็บที่จะต้องตาย กาที่ถามบา ร, รมีอีกมีดาบันดานั้น mm. ก็หายจากตาบอดได้อันนี้เป็นเพราะว่าพราะองค์ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมามากแล้วเสียสละชีวิตเสียสละดวงตาม า, มากนะให้คนอื่นจึงมีบา ร, รมีที่จะทำได้อย่างนี้บางครั้งคนเรายังเข้าใจผิดนิดนึงนะว่าให้บริจาคดวงตาหลังจากตายไปแล้ว เขาจะควักดวงตาเราออกไปเลยตาเราก็จะบอดหรือโบไปเนี่ยเกิดชาติหน้าเราก็จะมีตาบอดมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราทำํำร้ายดวงตาขุณบุคคลอื่นนะเกิดขึ้นมาแล้วตาเราพิการได้แต่ถ้าเราให้แก้วตาเล่นตากับบุคคลอื่นตาเราเกิดขึ้นมาหนะ้าชาติไหนเราก็จะมีดวงตาที่เจ็บใสขึ้นมานะ แจ่มใสขึ้นไม่ขุนไม่มัวโดยเฉพาะว่าเราไม่มีโทสะไม่เพ่งโทษต่อบุคคลอื่นแล้วเกิดขึ้นมาตาเราก็จะดีนะแจ่มใสขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นการสร้างบารมีบรรมโพลิสัจเจ้าพระสุวรณสามทำบารมีเมตตาบารมีนี่เต็มเลยเป็นชาติทิพองค์บ่มเพ็ินเมตตาบารมีเต็ม จึงได้มาช่วยมีดามันดาได้งบของเราได้สร้างความดีเจริญแล้วซึ่งความดีก็เจริญเมตตาภาวนานะต่อตัวเองด้วยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอันนี้แหละนะจะทำให้ใจของเราเบิกบานจะสามารถรักษาศีลของเราไว้ได้ด้วยดีด้วยศีลนะที่เราปฏิบัติกันนี้ทานที่เราได้ทํานี่ก็จะมีผลขึ้นไปเพราะเมตตาผูมิหา น, นี่แหละนักษาจิตใจของเรา เราเกิดขึ้นมาในคนในโลกบางคนเาก็ไม่มีศีลทำผิดทำบาปเราก็วางอุเบกขาไม่ซ้ำเติมจิตใจของเขาประกอบด้วยวิชาธนาอวทานวันหนึ่งเขาเห็นโทษเห็นภัยก็กลับมาเป็นคนดีได้หรือว่าคนในโลกเขามีความดีก็เป็นบุญบารมีที่เขาทำมาเราก็อนุมโมทนาด้วยบุติตาจิตไม่อิจฉาริสยา เห็นคนเป็นทุกข์ก็พยายามช่วเหลือตามกําลังสติปัญญามีเมตตาอยู่ประจําใจของเรานี่อันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมะจะอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็ปฏิบัติธรรมะโลกนี้จะอยู่ได้โลกโ้ธรถมพิการเมตตาเมตตาธรรมเมตตาเป็นธรรมที่จะค้าจุนโลกเอาไว้นะ ถ้าต่างคนต่างมีเห็นแก่ตัวมีเมตตาซึ่งกันและกัน mm. ก็จะอยู่ได้แบ่งปันกันไปเออถ้าเกิดต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแม่แบ่งปันกันแล้วก็อยู่ไม่ได้หรอกคนรวยก็อยู่ไม่ได้คนจนมากๆเขาก็ต้องมาป้อนมาจีบมาแย่งมาชิงคนรวยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ต้องแบ่งปันกันเทตนาถบรรยากาศเศรษฐีแบ่งปันเห็นหมมีข้าวมากมายก็แบ่งปันคนยากคนจน ก็อยู่ได้ได้ชื่อว่าอนนาทะมินทกะเวมากอนข้าวเศรษฐีผู้ที่เป็นที่พึ่งของคนอนาานาถาเป็นที่พึ่งก้อนข้าวของคนอนาานาถาอนนาทะอนาท ะ, า ะ, าะมินทกะก้อนข้าวเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งคือผู้ให้ก้อนข้าวแก่ผู้ที่ยากไร้นี่อย่างนี้เรียกเศรษฐีจริงๆนี่เพราะฉะนั้นพวกเราก็มี ทำบุญแล้วก็ทำทานเจริญเมตตาภาวนากันไว้ปัจาใจของเรานะเราก็จะมีความสุขความเจริญนะทุกาทการทุกท่กานเตนกันดจิตของเราในการแผ่เมตตาจิตเ <c oughs> มื่อเราได้สร้างในความดีในอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นการให้ทานหรือการนั่งสมาธิ ภาวนาแล้วนี่แล้วก็กำหนดจิตให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายลน่าเป็นสุขเป็นสุขเถิดเจกกรร้กําในเวรทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีเวรเมื่อเราจเจริญในเมตตาผ่มวิหารอยู่เสมอเสมอแล้วนี่จะมีใบหน้าที่มี ความเจื่อใสนอนหลับก็เป็นสุขปัสแจกอันตรายจากสตราวุฒและกยาพิษทั้งหลายเมตตาในพมิหารจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเจริญอยู่เป็นประจำจะทำให้สมาธิของเรามีความตั้งมั่น ปัญญาความรู้รอบแจ่มชัดสินห้าประการก็เกิดจากความเมตตาของใจหรือมีธรรมครบคู่กันนั่นเองเมื่อจิตใจประกอบไปด้วยคุณงามความดีพรหมวิหารธรรมย่อมยังใจของเรานั้นให้มีความสงบ เมื่อเราได้นั่งสมาธิในถวายทานเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเราก็ตั้งจิตใจเป็นเมตตาต่อกันไม่มีเวรไม่มีภัยต่อใครดังนั้นคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นเพื่อนที่ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตาย ไม่แบ่งเป็นฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาแพ้เอาชนะก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทปองลายขึ้นการเจริญเมตตาต่อกันจึงเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นนิจ ย่อมเป็นที่รักของเทวดาแล้วขอให้เราตั้งจิตนี่เป็นเมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งมวล